ด้วยรักบรรดา น, นิทานสีขาวเรื่องคำอ้อนวอนของโกวินโกวินเป็นชื่อพ่อค้าเร่คนหนึ่ง ทุกๆวันโกวินจะนำสินค้าเบ็ดเล็ดบรรทุกใส่เกวียนเทียมบัวแล้วนำออกไปเร่ขายตามหมู่บ้านต่างๆตั้งแต่เช้ามืดจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินจึงค่อยขับเวกวียนกลับบ้านความขยันทำให้โกวินมีชีวิตที่เป็นสุขไม่ขัดสนอดอยากแม้เขาจะไม่ใช่คนมั่งมีมาแต่กำเนิดก็ตามนอกจากขยันทางานแล้วโกวินยังชอบทาบุญและนับถือฮนุมานเป็นดั่งเทพเจ้าแหงชีวิต เย็นวันหนึ่งท้องฟ้ามืดครึ้มฝนเริ่มลงเม็ดปล่อยปลอยโกวินจำต้องขับเกวียนสินค้ากลับบ้านก่อนเวลาระหว่างทางเขาเห็นรูสีตนหนึ่งกำลังสอนสั่งธรรมะแก่ชาวบ้านอยู่ในศาลากลางตลาด จึงเกิดความสนใจอยากจะเข้าไปนั่งฟังบ้างกอบกับฝนก็ตกหนักขึ้นม่านฝนหนามากจนทำให้เดินทางไม่สะดวกดังนั้นโกวินจึงตัดสินใจหยุดเกวียนและเข้าไปนั่งฟังธรรมะจากฤาษีร่วมกับชาวบ้านคนอื่นๆในตอนหนึ่งฤาษีสอนว่าครั้นเธอได้กระทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว แต่ยังต้องพบเจอกับสิ่งที่ทาไม่ไหวให้เธอภาวนาถึงพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เธอบูชานับถือแล้วเธอจะได้รับการช่วยเหลือโกวินได้ฟังดังนั้นก็นึกในใจว่าดีจริงที่เรานับถือท่านหานุมานอย่างนี้เมื่อเราเดือดร้อนเราก็จะภาวนาถึงท่านเสมอท่านจะได้มาช่วยเราไม่นานนะักฝนก็หยุดตก แม้จะรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้อยู่ฟังคําสอนของฤาษีตนนี้ต่อแต่โกวินก็ต้องรีบขับเกวียนกลับบ้านทันทีเพราะบ้านของเขายังอยู่อีกไกลขณะขับเกวียนไปได้เพียงระยะหนึ่งเกวียนของโกวินก็พบกับอุปสรรคขับต่อไปไม่ได้โกวินรีบกระโดดลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเกวียนของเขาปรากฏว่าล้อเกวียนทั้งสองล้อได้ตกลงไปในหล่มโคลนที่เริ่มแห้งและจับตัวกันเหนียวขน้น แย่แล้วสิล้อติดลมแบบนี้จะทําอย่างไรได้นี่ก็เย็นมากแล้วตามใครมาช่วยก็คงจะไม่ทันหรือว่าเราจะต้องนอนในป่าเสียแล้วละคืนนี้แต่ถ้าหากมีสัตว์ป่ามาทําร้ายเรากับวัวของเราละ่ะจะทําอย่างไรโกวินคิดอย่างเป็นกังวลแต่แล้วเขาก็นึกถึงคําสอนของฤษีตนนั้นได้จริงด้วยสิ เมื่อครูร่ฤาษีบอกว่าถ้าเจอกับสิ่งที่ทำไม่ไหวก็ให้ภาวนาถึงสิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่เรานับถือแล้วสิ่งศักดิก์สิทธิ์จะมาช่วยเราใช่แล้วเราต้องภาวนาให้ท่านหานุมานมาช่วยเราคิดได้ดังนั้นโกวินก็หลับตาภาวนาถึงหนุมานอย่างตั้งอกตั้งใจอยู่เป็นเวลานานแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนโกวินเริ่มเกิดโทสะเอ๊ะเป็นอย่างไรกันแน่นะ ก็ไหนฤาษีบอกว่าให้ภาวนาถึงเทพเจ้าที่นับถือแล้วเทพเจ้าจะมาช่วยเราก็ทำแล้วไม่เห็นมีใครมาช่วยเราเลยหรือเราจะถูกรือีนั่นหลอกยิ่งคิดว่าถูกหลอกให้เชื่อน้ำคำจนหลงเลื่อมใสโกวินก็ยิ่งเจ็บแนกนก็วิ่งกลับไปที่ศาลากลางตลาดเพื่อหาฤาษีตนเดิมอีกครั้ง และเมื่อไปถึงโกวินก็พบฤษีนั่งอยู่ในศาลาดังเดิมแต่ไม่มีชาวบ้านมาห้อมล้อมซักถามธรร ม, มะเหมือนในตอนแรกก่อนที่โกวินจะได้พูดอะไรฤษีก็ทักเขาด้วยน้ำเสียงแหละรอยยิ้มที่อ่อนโยนว่ามาแล้วหรืออาจารย์กำลังรอเธออยู่พอดีโกวินมองฤษี์ยังเคลือบแคงท่านพูดเหมือนรู้ว่าข้ากำลังจะมาแน่นอน อาจารย์รู้ว่าเธอจะต้องกลับมาฤศีตอบพร้อมรอยยิม้มอ๋อฮะใช่สินะท่านต้องรู้ว่าข้าจะกลับมาแน่ต้องมีใครที่ฟังคําสั่งสอนผิดๆของท่านแล้วย้อนกลับมาตําหนิท่านสักคนอยู่แล้วไม่สิอาจจะไม่ใช่แค่คนเดียวแต่อาจจะเป็นทั้งหมดที่หลงฟังความเท็จจากท่านโกวินว่าอย่างมีอารมณ์ความโกรธมีแต่จกเพิ่มความเขา่า ดังนั้นขอให้เธอจงสงบอารมณ์ลงสักหน่อยแล้วบอกสิ่งที่อาจารย์บังอาจปดเธอมาให้อาจารย์ทราบด้วยเถิดฤษีกล่าวอย่างสุภาพและคงไว้ซึ่งรอยยิ้มอันอ่อนโยนเช่นเดิมท่านบอกข้าและทุกคนที่มาฟังท่านว่าถ้ามีสิ่งใดที่ทำไม่ได้ก็ให้ภาวนาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือเมื่อสักครู่ข้าขับเกวียนไปติดลมโคนอยู่ในป่า ค่ะนึกเชื่อคำสอนของท่านจึงกล่าวคำภาวนาและสวดมนต์ขอความช่วยเหลือจากท่านหานุมานที่ข้านับถืออยู่เป็นเวลานานแต่ก็ไม่เห็นท่านหานุมานจะมาช่วยข้าสักทีอย่างนี้ก็แสดงว่าคำสอนของท่านเป็นคำปดทั้งสิ้นใช่หรือไม่โกวินกล่าวอย่างเสียงกระด้างฤาษีนิ่งฟังโกวินอย่างสงบและไม่มีทีท่าว่าจะตําหนิท่าทางอันไร้สัมมาคาระวะของเขาที่แสดงออกมาแต่อย่างใด ตรงกันข้ามฤษีกลับยิ้มให้โกวินอย่างใจดีพร้อมกับอธิบายว่าอาจารย์พูดเช่นนั้นจริงและอาจารย์ก็ไม่ได้ปดเธอถ้าเธอจะทบทวนความทรงจำของเธอให้ดีๆเธอจะนึกออกว่าอาจารย์ไม่ได้สอนให้เธอสวดมนต์ภาวนาถึงพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเธอเพียงอย่างเดียว แต่อาจารย์สอนให้เธอพยายามอย่างหนักเสียก่อนจึงจะหารร้องขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งท่านก็ย่อมเลือกคนที่เหมาะสมกับพรของท่านเช่นกันเกวียนของเธอตก ล, มล่มโครนแล้วเธอพยายามเข็นเกวียนบ้างหรือไม่เธอใช้ความพยายามอะไรบ้างที่จะทำให้เกวียนของเธอหลุดพ้นจากหล่มโครนนั้นเธอพยายามทำอะไรบ้าง โกวินหน่าเผื่อลงเมื่อได้ฟังคำของรือศีเขายอมรับเสียงอ่อยๆว่าไม่ได้พยายามทำอะไรเลยนอกจากสวดมนต์ภาวนาขอความช่วยเหลืออย่างเดียวจงกลับไปยังเกวียนของเธอปัญหาของเธอแก้ไม่ยากหรอกอาจารย์เชื่อว่าเธอต้องทำได้ ฤษสีกล่าวพร้อมรอยอยิ้มอีกเช่นเคยโกวินกลับลาฤษีด้วยความเลื่อมใสที่กลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้งหลังจากนั้นเขาจึงเดินกลับไปยังเกวียนของตนโดยนึกไปตลอดทางว่าควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไรและแล้วเขาก็คิดออกจริงสิ ถ้าเราออกแรงหน่อยโดยใช้บ่าของเราดันล้อเกวียนขึ้นแล้วตีวัวให้เร่งออกแรงอีกนิดบ่าของเราและแรงของวัวก็าอาจจะช่วยชุดล้อเกวียนให้หลุดพ้นจากลมได้โกวินดีใจมากเขารีบทำตามที่คิดไว้ในทันที ในระหว่างที่ออกแรงสุดตัวเพื่อใช้บาดดล่นล้อเกลียนซึ่งมีน้ำหนักมากอยู่นั้นเขาก็ไม่ลืมที่จะอ้อนวอนขอความเมตตาจากหานุมานเพิ่มอีกด้วยแต่ครั้งนี้โกวินไม่ได้ร้องขอให้หนุมานช่วยยกล้อเกลียนเหมือนครั้งก่อนแต่เขาสวดมนต์ภาวนาขอให้หนุมานอวยชัยให้เขายกล้อเกลียนสำเร็จได้ด้วยตัวของเขาเอง ทันใดนั้นโกวินก็รู้สึกเหมือนมีใครคนหนึ่งมาช่วยเขายกล้อเกวียนขึ้นอีกแรงเขารู้สึกว่าบ่าของตอนเองไม่ต้องแบกรับน้ําหนักมากเหมือนในตอนแรกโกวินจึงอาศัยจังหวะนี้ใช้แทะตีวัวให้ออกแรงมากขึ้นจนฉุดล้อเกวียนขึ้นมาจากหล่มโคได้เป็นผลสําเร็จ ขอโทษนะที่ต้องตีเจ้าโดยแรงสิงหลายครั้งแต่ตอนนี้เราต่างก็จำเป็นต้องช่วยกันละกันแล้วข้าจะพาเจ้าไปกินหญ้าในทุ่งหญ้าที่เขียวขจีที่สุดเป็นการตอบแทนนะเพื่อนโกวินพูดกับวัวของเขาอย่างอ่อนโยนและมันส่งเสียงครางเบาๆเสมือนเป็นคำตอบรับ จากนั้นโกวินจึงขับเกวียนกลับบ้านตลอดทางเขาได้สวดมนต์และร้องเพลงสรรเสริญฮนุมานไปด้วยเพื่อแสดงความขอบคุณที่ฮานุมานเมตตาช่วยเหลือถึงแม้โกวินจะไม่เห็นฮานุมานแต่เขาเชื่อว่าฮานุมานได้มาช่วยเขาจริงๆเพราะเขาได้พยายามเต็มที่แล้วตามคําสั่งสอนของท่านฤาษีเธอทั้งหลาย ชีวิตคนเราเมื่อเกิดมาแล้วย่อมต้องประสบกับปัญหามากมายหลายหล า, หากมัวแต่รอความช่วยเหลือจากผู้อื่นแล้วชีวิตเราจะเป็นอย่างไรใครจะอยู่ช่วยเราได้ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาไม่ว่ายากหรือง่ายเราจึงต้องพยายามหาทางแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองให้ได้ซะก่อน แต่หากพยายามเต็มที่แล้วยังพ้นจากปัญหาไม่ได้จึงค่อยมองหาความช่วยเหลือจากมิตรแท้ใกล้ตัวซึ่งยอมต้องช่วยเธอด้วยความบริสุทธิ์ใจมิใช่ซ้ำเติมทำร้ายอย่าย่อท้อเมื่อมีอุปสรรคเข้ามาบ่อนทำลายชีวิตเธออุปสรรคเหล่านั้นอาจทำให้เธอเด็ดเหนื่อยจนแทบจะขาดใจก็จริงแต่ขณะเดียวกันนั่นคือครูคนสาคัญของชีวิต หากต้องเรียนรู้ชีวิตด้วยปัญหาและความผิดพลาดก็จงเรียนรู้ให้หนักและผ่านบทเรียนของครูคนนั้นให้ได้เพราะถ้าทำได้ก็คงไม่มีสิ่งใดที่เธอจะผ่านไปไม่ได้อีกแล้วในอนาคต